อาจารย์ครับการรำวัฒนการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับผมอยู่อิตาลีอีกแล้วครับอาจารย์ครับอตอนนี้ว่าทํางานครับอาจารย์ครับก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขอบผมตอนนี้บ่ายสามครับอาจารย์ครับที่นี่อืห่างกันห้าชั่วโมง แต่ตอนนี้ก็มีคนดูอยู่รวมๆกันเกือบพันคนนะครับเก้าร้อยกว่าคนครับผมครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์ไปวินทบาทคนเยอะไหมครับผมวันนี้ห้าร้อยหนึ่งหร้วันนี้มันพระเหรอครับอาจารย์ก็ไม่เหรอวันอาทิตย์เมื่อวานอาทิตย์นี้คนเยอะนะเมื่อวานนี้ก็สี่ร้อยอ่อครับครับไม่แน่นอนมันก็แล้วแต่ น่าแความรู้สึกนิคิสของแต่ละคนครับครับผมแล้วคนไปฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ร้อยแปดสิวันนี้รวมกันก็แปดรอยกว่ารวมกันแปดร้อยกว่าเอครับเารับครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยขอาการอาจารย์ฟังเรื่องกดแห่งกรรมวันก่อนไปเห็นโพสต์ที่หนึ่งบอกว่า เราเป็นแค่ผู้เล่นกรรมเป็นผู้กำกับผมก็เลยเลยรู้สึกว่าอยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องนี้นะครับพระอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับผ ม, มคือเรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นกฎที่ที่เกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายผู้ที่กระทํากรรมก็คือจิตใจและผู้ที่รับผลของกรรมก็คือจิตใจ ถ้าเราไปมองทางร่างกายเราคิดว่าร่างกายเป็นผูก้กระทาแล้วต้องเป็นผู้รับผลของของบุญหรือบาป ท, ที่ทำํำเราก็อาจจะไม่ไม่เห็นว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะคนที่ทําดีไม่ได้ดีก็มีเยอะแยะคนไม่ได้ได้ดีทางลาบยศเสริญสุกรอทําดีไม่ได้ก็มีคนที่ทําชั่วแล้วได้ เจริญในลาภยศสารเสริญสุขก็มีคือมันมีทั้งสองแบบอะคนดีหรือคนชั่วเขาสามารถเจริญในลาภยศสารเสริญสุขได้ครับอันนี้มันไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะทําให้เจริญนั้นเหตุปัจจัยมันไม่ได้ความความเจริญของลาภยศสารเสริญสุคนี้มันไม่ได้กําหนดว่าจะต้องทําดีถึงจะเจริญนทําชั่วก็เจริญได้ทำบาปก็เจริญได้ ทำดีก็เจริญได้เหมือนกันมาแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยต่างๆงั้นถ้าเราไปมองถึงเรื่องผลของกรรมว่าอยู่ที่ความเจริญรื่เสือมของาลาภยศสรรเสริญสูงนี่เราก็จะงงเราก็จะไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นผลโดยตรงอาจจะมีผลข้างคลผลถนข้างเคียงบ้างแต่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักที่ส่งผลให้กับ ผู้ก็ททำคือใจก็คือก็คือความสุขความเจริญอดความทุกข์หรือความเสื่อมของใจเราต้องมองที่ใจเป็นหลักเวลาเราทำบุญเช่น ท, ทำความดีผลที่จะเกิดขึ้นขั้นต้นก็คือเกิดที่ใจของเราใจเรามีความสุขร่างกายเราก็เหมือนเดิมร่างกายเราก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้เปลี่ยนไปกับความรู้สึกของใจความใจนี่เปลี่ยนะอยู่รู้สึกนะเวลาไม่ได้ทำบุญรู้สึกเฉยๆพอได้ทำบุญปับ๊บเกิดความสุขเกิดความปิติขึ้นมาอ น, นี้คือผลอันแรกคือผลที่เกิดจากการทำความดีเกิดที่ใจแล้วก็แต่ทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปผลก็เกิดขึ้นที่ใจใจก็ทุกขขึ้นมา ใจก็ไม่สบายเฮ้เราไปโกหกเขาเนี่ยหรือเราไปขโมยข้าวของเงินทองเขาเอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะกลจะต้องรับวิบากของของของกรรมที่เราทําก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำํำรวจจับมาลงโทษก็ได้หรือหรืออาจจะถูกประจานว่าเราทาเป็นคนไม่ดีอาจจะเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วไปทําอะไรที่ไม่ดีขึ้นมานีพอพอ ถ้าถูกเขาจับได้มีใครเข้ารู้แล้วมาประจานเนี่ยมันก็จะทําให้เสียหายต่อชื่อเสียงของเขาได้เราก็ทำอย่างนี้แล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจทําบาปทาไม่ดีใจเราก็จะทุกขึ้นมาทันทีอย่างนี้ลนผลที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อ ย, อยู่ที่ใจของเราส่วนเวลาที่เราร่างกายนี้ตายไปเนี่ยผลส่วนใหญ่มันจะมาเกิดตอนนั้นเกิดกับดวงวิ ญ, ญญาณของเราครับเกิดตอนนั้น ใจที่ที่อยู่กับร่างกายนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแต่ก็เป็นใจเหมือนเดิมเป็นท่านรู้เหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้ไม่มีร่างกายพอไม่มีร่างกายบุญและบาป ท, ที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี้ยมันจะมาแยกดวงวิญญาณของเราไปในทิศ ท, ทางใดทิศ ท, ทางหนึ่งขึ้น อ, อยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปบุญก็จะหนึงไปสวรรค์ไปสู่สุคติ ให้ไปเป็นเทพบ้างไปเป็นพรมบ้างไปเป็นพระอเรียบุคคลบ้างให้ไปนิพพานบ้างอันนี้แหละคือผลที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วในทางคนทองทางดวนข้ามถ้าบาปมากกว่บุญบาปก็จะหนึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนร ก, นรกรแล้วก็จะส่งผลไปเรื่อยๆจนกว่าบาปหรือบุญนั้นหมดกําลังลง บาปกับบุญมามันอยู่ในระดับเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงดวงวิญญาณให้อยู่ในอบายได้ช่วงนก็จะมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แลวผู้ที่มาเกิดใหม่ก็ อ, อยู่ว่ามาจากมาจากสวรรค์หรือมาจากอบายผู้ที่มาเกิดจากลงมาจากสวรรค์มักจะเป็นผู้มาเกิดมีมีบาลามีมีมีโง่แห้ง มีมีศักดิ์ศรีอ่มีมีรูปหน้าหน้าตาที่สวยงามมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาการครบสามสบสองมีอายุยืนยาวนานมั่งมีด้วยทรัพย์สินสมบัติที่ได้สะสมได้ทำไว้ในชาติก่อนมันก็จะมารออยู่ันนี่คือผลบุญขั้นที่สามหลังจากที่ได้ไปใช้ผลบุญในสวรรค์ด้วยนายบายแล้วพอม า, ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ สิ่งที่ดีๆเหล่านี้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ทำว่ามากหรือน้อยนะครับในทางตรงกันข้ามพวกที่มาจากอบายพวกที่มาจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมาแบบอาภัพวาสนาเช่นมายากจนมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีรูป ห, หน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสมีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเดียนนี่คือ อันนี้ส่งที่มันยังติดข้างอยู่ใน ใ, นใจที่มาส่งผลต่อในภพหน้าชาตินะนี้ก็คือสรปุปก็คือเนี่ยคือเรื่องของของกรรมและวิบากมีส่งผลสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนหน้าคือขณะที่เรา ท, ทาทําบาปปับใจเราไม่สบายทันทีทําบุญปรับใจเรามีความสุขทันทีเราไม่เชื่อรานั่งอยู่บนรถเมล์แล้วมีคนมี มีคนชราหลือคนเด็กหรืออืขึ้นมาเขาไม่มีที่นั่งเรานั่งอยู่แล้วก็ลุกให้เขานั่งแทนเนี่พอเสียสละที่นั่งให้ก็นั่งไปแล้วจะมีความรู้สึกสุขใจภูมิใจขึ้นมาทันทีผลนี้กิดจากการทําความดีมันปรกากฏขึ้นในใจเรา ท, าทันทีในทางกันข้ามถ้าเราไปแกล้งคนนั้นไปบูลลี่คนนี้นไปทําร้ายเขาพอทําไปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจในี่ผลนแรากเกิดขึ้นทีน ใ, นใจของเรา สุขุรือทุกขนะ์เนี่ยขั้นผลที่สองก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญหรือบาป ท, ที่เราทํานี้มันก็จะดึงเราไปทางสวรรค์นึกไปสู่สุขคติหรือไปสูส่ทุกขติขั้นที่สาเวลาเรากลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มียังมีมีมีอนิสงค์ของบุญที่เราทําอยู่ถ้ามาจากสวรรค์มาจากสุขคติก็จะมาเกิดเป็นผู้ที่มีวาสนาบารามี มืนพวกที่มาเกิดมาจากอบายก็มาจะเกิดแบบอภัพวาสนาเราถึงมีทํำไมเราถึงมีคนแตกต่างกันในโลกนี้ในตลวดจะทําเป็นเครื่องอำนาจแยากสัตว์ให้เป็นไปต่างต่างบอ mm hmm. ก็จะอย่าไปดูที่ลาบยศะสนเสริญสุดถ้าดูลงนั้นเราจะผิดหวังเราจะดูว่าทําบุญแล้วร่างกายเราต้องแข็งแรงสุขภาพยืนยาวนาะคนบางคนคิดว่าพอเป็นมะเรงก็รีบทําบุญใหญ่เลย พระยังเป็นได้เลยพระยังตายได้เลยครับไม่เกี่ยวกันไอ้เรื่องร่างกายกัรเรื่องราตวิสดุเสนสูง น, นี่มันอยู่ภายใต้กฎอีกกันที่เรเรียวกว่ากฎตายรักอานิจจังทุกขังอนัตตากฎอา น, นิจจังก็คือไม่มีความไม่แน่นอนมีการมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือกฎของตายรักที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามหรือลาบยศเสรรสัสุขของแต่ละคนเนี่ยมันมีเจริมีเสื่อมทั้งนั้นได้ลาบมาแล้ววันดีคืนดีก็หมดลาบได้ได้ยศมาแล้ววันดีคืนดีก็หมดยศได้เนี่ยตำแหน่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอยุบสภาปั๊บหายไปหมดเลยแล้วใครควบคุมบังคับได้ไหมไม่มีใครควบคุมบังคับไ ด, ด้ตั้งกฎตั้งระเบียบไว้ยังไงอย่างดีก็ตามแต่พอถึงเวลามันจะจบเมื่อไหร่มันก็จบประมาณขึ้นมาได้ เพมันเป็นอนัตตามไม่มีมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเราต้องแยกให้เข้าใจว่าเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งตายร่างนี้มันเก็บคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวกับจิตใจดวงวิญญาณของเราส่วนกฎของตายร่างนี่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทองราบยศสารเสรื่อมสุขกับร่างกายของเร า, าเราจะได้ไม่้ไม่เขว อันนี้พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับอาจารย์ครับจะเรียนพระอาจารย์ว่ายุบสภาผมยังอยู่นะครับอาจารย์อยู่จนนี้สู้ว่าแล้วจบแล้วโอ้ยยังอยู่อยุบจะจบาไม่เกี่ยวนะใช่จว่านี่หยุดไปนอกจากถ้าเกิดปฏิบัติเน่้นี้ไมใช่ใช่ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดปฏิบัติจะจบเลยปฏิบัติจะจบเลยตั้งใหม่ตั้งสว้ใหม่ ตั้งสอนชอไหมครับอาจารยเนี่ยโลกอันนี้จารไม่เกิดไม่ดับไม่ชนะไม่เสื่องเนี่ยครับแต่แต่ผมก็เตรียมใจทุกวันครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์สอนครับลงเมื่อไหร่ก็ได้ครับอาจารย์ครับไม่ไเงินอะไรที่แม่แน่นอนอย่าไปยืดอย่าไปติดแล้วเราจะไม่ทุกข์ครับก็ถือแค่ว่าตอนอยู่ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วพะลงไปก็เมื่อมีโอกาสที่เราจะทําความดีให้กับประเทศชาติเราก็ทําไป ทำเท่าที่เราทําได้ส่วนผลจะได้มากได้น้อยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจรเราทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันครั บ, รบแล้วต้องทแบบําแบบมีความเมตตาด้วยยะดีที่สุดอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมออกไปมันได้ไมคุ้มเสียหรอรบไปสร้างศัตรูกั บ, ค, บคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เราต้องการมันไม่คุ้มค่ากันมีเวรมีกรรมกันตามมาเอง ขอบคุณพระอาจารย์ครับเชิญทุกท่านส่งคําถามเข้ามาได้นะครับวันนี้มันหายไปช่องทางหนึ่งนะครับพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังมีคนดูอยู่พันสามร้อยกว่าคนนะครับพระอาจารย์ครับหายไปช่องหนึ่งของช่องช่องใหญ่ด้วยครับพระอาจารย์ช่องของคุณหมออะไรเงี้ยใช่ใช่ครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับคุณนุมน้อยถามครับบอกว่าผมอยู่บ้านเฉยๆมีอาการเครียดและผมไป เปลนบรรยากาศเที่ยวพักผ่อนเรียกว่าเป็นกิเลสไหมครับเพื่อเป็นการดับความทุกข์แบบชั่วคราวไงมันไม่ได้เป็นความการดับความทุกข์แบบถาวรคือเวลาเราเครียดเราก็อาจจะไปหาความสุขทางตาหูมจมูกนิ้วกายไปพักผ่อนหย่อนใจไปดูหนังฟังเพลงหรือไปชอปปิง้งหรืที่เรารักเราชอบทําแล้วเราก็มีความสุ ข, ไ, ขไม่าใช่เรียกป็นกิเลสไม่ใช่นี่เรียกว่าการมาตัญหาไง ทำตามความอยากของของกลามความอยากอยากเสพกลามเพราะเวลาเราเสพกามเราจะมีความสุขแต่ว่ามันมีผลมันมีผลกระทบเวลาที่เราอยากแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เสพมันจะทําให้เราเศร้าได้ต่อไปดังนั้ีไม่ใช่เป็นวิธีที่จะจะแก้ปัญหาของความเครียดเพราะว่าต่อไปตัวที่มันช่วยแก้ปัญหาของความเครียดจะกลายเป็นปัญหาอี ก, อ ก, อกตัวหนึ่งขึ้นมาคือการมาตัญหาของเรา เราไปแล้วจะไม่มีเงินไปเที่ยวเราจะทําไงเนื้อเราไม่สบายไปไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านน อ, อยู่กับที่ที่เราเครียดอยู่นี่มันก็จะทําให้เราซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นไปอวิธีแก้ก็คือเนี่ยต้องแก้ด้วยธรรมะแก้ด้วยสติด้ดวยปัญญาถ้าเรามีความสามารถทําใจให้สงบได้ความเครียก็จะหายไปชั่วคราวแล้วถ้าเราหลังจากที่เราออกจากความสงบมาแล้วพอใจเราเริ่มเครียดอีกแล้วก็ใช้ปัญญามาวิเคราะห์ ว่าเราเครียดเพราะไรเพราเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ตัดเสียอยากไปมันก็สิ่งที่เราได้มามันก็ทําให้เรามีความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็จะทําทให้เศร้าเราเครียดอีกใช้ปัญญาตัดความอยากแล้วเราก็จะอยู่กับความสงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาอย่างแท้จริงอย่างถ า, า, าวร การแก้ด้วยการมัธฐานะเนี่มันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆหรือข่าวหน้าเครียดก็ไปเที่ยวอกีกแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะไปเที่ยวไม่ได้เพราะเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราตอนน้องจะทํำยังไงกาซึมเศร้ากันคนส่วนให ญ, ญ่มาซึมเศร้ า, ราตอนอา ย, ยุแก่กันใช่ไหมเพราะไม่สามารถไปเที่ยวเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้หรือคนที่ไม่มีกําลังทำทางเงินทองอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวต้องอยู่ อยู่บ้านนี้มันก็ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้ซึมเศร้ามากๆแา้วบางทีก็คิดฆ่าตัวตายเลยคำถามต่อมาน ะ, นะครับอพี่สาวคุณยายทานข้าวไม่หมดแล้วบูดเสียจะถามว่าพี่สาวคุณยายหลับอยู่แล้วผมแอบหยิบแต่ผมไม่เจตนาครับเพราะคุณยายพี่สาวหลงแล้วพอแกเห็นแกชอบทานของบูดพอเริ่มเบื่ออาหารแล้วครับแกไม่ให้หลานหยิบ น้องสาคุณยายกลัวพี่สาวท้องเสียครับแต่ผมไม่ได้ขออนุญาตคุณยายพี่สาวจะถาม ว, าว่าอย่างนี้เป็นบาปไหมครับคือถ้ามีเจตนาเจตนาที่จะทำความดีไม่มีเจตนาที่จะทำบาปมันก็ไม่บาปบาปหรือบุญนี่มันอยู่ที่เจตนาแล้วผลที่เกิดขึ้นด้วยว่าผู้ที่เราทำแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือเปล่าถ้าทําแล้วเกิดความเสียหายก็ถือ ย, อยังถือว่าบาปอยู่ ว่าเราไม่ทําความเสียหายให้กับผู้อื่นแต่ถ้าทําแล้วช่วยใผู้อื่นไม่ต้องประสบกับความเสียหายอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญขณะที่เราทําสมาธิเราเปิดฟังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์กล่าวนํากรรมฐานไปด้วยได้หรือไม่ครับคือเป้าหมายของการฝึกสมาธิก็คือต้องการใช้ตัวเราเองเป็นที่พึ่ง คนนี้จะจริญสติให้มีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ในอารมณ์หนึพุทโธธรโมสังโฆหรืออนานตาาสติมีูลงหายใจเข้าแต่ตอนเริ่มต้นถ้าเราอยากจะมีมีพิธีกรรมนิดหน่อยก็ได้บางคนก็บอกก่อนจะนั่งก็ตัง้งน้โมสักสามจบก่อนแล้วถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็ทําได้แต่พอเสร็จพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นชแล้วขึ้นชบเราต้องชอบคนเดียว พระพุทธพระธรรมะสงฆ์มชกแทนเราไม่ได้มาเจริญสติให้เราไม่ได้เราก็ต้องมีสติคอยกำกับใจเราให้อยู่กับกรรมฐานเพื่อใจเราจะได้นิ่งได้สงบได้เราเป็นแค่ผู้เล่นกรรมเป็นผู้กดอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับถก็จะว่ากรรมเป็นผู้กำกรรับะอย่างที่เรามาเล่นเป็นคนดีคนเชื่อก็กรรมนี่เป็นผู้กำกรรับมา ให้เราเป็นคนดีแล้วเป็นคนไม่ดีให้เราเป็นคนซื่อสัตย์หรือคนทุตคนไม่ซื่อสัตย์มันก็เกิดอยากกรรมนั่ น, นะกรรมเป็นผู้กากรรับกรรมก็คือการกระทาของเราในอดีตพอเราทำอะไรไว้แล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปถ้าผู้ใดตั้งจิตขอนิพานจะมีบททดสอบม า, มาจริงไหมครับขอความรู้จากพระอาจารย์ครับไม่เกี่ยวกันอนะ จะมีก็มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนกนมันไม่ได้เป็นหลักตายตัวการตั้งเป้าหมายจะไปไปกรุงเทพนี้มันก็าจะมีมีบททดสอบถเสียบ้างฝนตกน้ำทั่วมบ้างไปไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเราจะตั้งใจทำอะไรก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะมีอะไรมาเหตุการณ์ที่อาจจะมาขัดขวางหรือมาเป็นอุปสรรคต่อการกระทาของเรามันยึด ปัญหาก็คืออยู่ที่เราสามารถทันตาอประสบารณเหล่านี้ไปได้ไหรือไม่เช่นพระพุทธเจ้า ก, ก็ตั้งจิตจะขอไปนิพพานด้วยการนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นโพจะไม่ลูกจากที่ไปพระอง์ก็ท่งทาตามที่ตั้งไว้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรท่านก็ไม่นู้กอขอเมตตาพระอาจารย์เล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาที่นามาซึ่งการละสักกายทิฏฐิครับ ก็เวลาเราเจอความตายเนี่ยเช่นเครื่องบินตกบนเครื่องอินเดียเนี่ยโดยคนเล่า อ, อ, อยู่คนเดียวทางคนเ ล, ล่าเราเป็นโสดาบันหรือเปล่าก็เป็นได้นะถ้าก็รู้จักธรรมะถ้าก็พิจารณา ช, ช่วงนั้นว่าเอ้ยร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆความมันไม่ใช่ตัวเราของเรายอมตายยอมให้มันตา ย, ย, ตายปล่อยวางมันเนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นนายของร่างกายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นอนิจจัง อนัตตาถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่ตายเราจะทุกข์มากตอนนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมตายเพราะเรายอมตายครับตอ น, นั้นใจก็จะหายทุกข์เลยต่อไปจะไม่กลัวความตายต่อไปมีโรคประจําตัวครับบางครั้งก็กลัวควางตายจะทําอย่างไรให้วีตกกังวลเรื่องนี้น้อยลงครับก็ เวลาคิดถึงความตายมันก็มีสองสองทางเลือกคือเผชิญหน้ากับมันไปยอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนหนีไม่พ้นยอมรับความจริงถ้าใจยังไม่ยอมรับความจริงยังกลัวอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดให้หยุดความคิดให้ทําสมาธิแทนทําจิตให้นิ่งให้สงบก่อนถ้าจิตสงบแล้วจิตก็จะมีพลังที่จะสามารถสู้กับความจริงได้พอจากสมาธิมาเราก็ลอา พิจารณาเรื่องความตายเราสอนใจให้ยอมรับให้ได้ให้เห็นโทษของการไม่ยอมรับความตายว่ามันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเรายอมรับได้ใจเราจะหายทุกข์เห็นเราก็จะเราก็จะต้องเลือกทางเลือกเือว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปทาทุกข์หรือไปทาที่ไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องยอมตายถ้าไม่ยอมตายก็ต้องทุกข์แต่ที่เกิดขึ้นแน่น้าก็คือความตาย แต่เราสามารถเลืกว่าเราจะทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับมันได้เป็นโรคเยอะหุ้มจมูกอักเสบรักษาไม่หายอาการหายใจลำบากทุกข์มากจะใช้ทำข้อไหนทำให้หายทุกข์จากโรคครับมีความเครียดสะสมมากครับก็อยอมรั บ, บมันเงนเหมือนกับยอมรับความตายเรามีก็โรคภัยแค่เจ็บเป็นธรรมดาเรื่องพ้นกับจากโรคภัยแค่เจ็บไปไม่ได้ เป็นอะไรก็ยอมรับกับมันอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายใจเราก็จะไม่เครียดโรคไม่หายนะแต่ใจละความเครียดของใจเราหายแล้วเราก็จะปรับตัวเราให้อยู่กับความไม่สบายของร่างกายด้แล้วก็ยังมีความสุขได้เหมือนกับไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างไดยอมรับความจริงอย่าอย่าอยู่ตามความอยากความอยากทำให้เราทุกข์อยากให้หาย พอมันไม่หายมันก็ทำให้เราทุกข์แต่ถ้ายอมอยู่กับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยู่ก็กยอมรับมันไปยอมเป็นไปยอมไม่สบายไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ต้องการพลังใจเพื่อไม่ทุกข์เนื่องจากเมื่อก่อนละเลยไม่ได้ดูแลแม่ใกล้ชิดส่งเงินไปให้ใช้ทุกเดือนครับไม่ราบว่ า, าถ้าต้องการพลังใจก็คือสติเนี่ยต้องจเจริญสติอยู่เรื่อย ทำจิตให้สงบแล้วใจจะมีพลังถ้าไม่มีสติใจจะคิดฟุ้งซ่านแล้วก็อาจจะถูกอารมณ์ต่างๆรบกวนคุกคามทำให้ใจในอย่อนแอโกรกเปลี่ยงได้เรียนพยายามฝึกสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเ้ื่อเปืป่อแล้วมีเวลาก็นั่งสมาธิด้วยแล้วใจจะมีกำลังมีพลังใจจะมีอุเบกขาปล่อยวางวางเฉยได้ เคยได้ยินว่าจิตไม่ใช่เราหมายความว่าอย่างไรครับก็จะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าธาตุรู้เป็นธาตุอย่างหนึ่งเหมือนกับดินน้ําลมไฟร่างกายเราทําจากดินน้ําลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ําลมไฟเป็นธาตุรู้อย่างเงี้ยมันไม่มีไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้ตัวตนเกิดจากธาตุรู้ไปปรุงแต่งขึ้นมาไปเขียนนิยาย ขึ้นมาเองถ้านรู้เนี่ยเป็นเหมือนคนแต่งนิยายแต่งตัวตนขึ้นมาแล้วก็เชื่อหลวงเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวตนแต่พอเราเข้าสมาธิหยุดความคิดได้ตัวตนก็หายไปเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าเอาตัวตนมันก็เป็นแค่ความคิดนี่เก็จากความคิดพอหยุดคิดปั๊บตัวตนก็หายไปอันนี้คือต้องได้สมาธิ เท่าไหนใช่ต้องแยก<ๆ>แยกใจออกจากร่างกายทันใจให้นิ่งให้สงบสัตว์เดีเหรือแต่ตัวรู้อ๋อนี่คือท่านรู้ท่านรูเ้เพงเพียงแต่รู้แต่ตัวตนไม่มีในในในท่านรูน้นี้ตัวตนเกิดจากเวลาเราคิดปรุงแต่พอคิดตอนเราคิดว่าเราคิดละพอพอฟังแ ล, แล้วก็คิดว่าเราฟังละพอเจ็บแล้วก็คิดว่าเราเจ็บละความจริงเหล่า น, นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่มีตัวตนที่ทําให้มันเกิดขึ้นเรื่อยดับไปเป็นไหมเนี่ยของสภาวะธรรมให้งน้นของเหตุของปัจจัยไม่มีตัวตนมาทําให้มันเกิดมันดับถ้าเราไม่สวดมนต์เลยแต่นั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมได้เลยไหมครับได้ถ้าเราสามารถทําได้ก็ทําได้เลย สำหรัคนบางคนยังทําไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้การสวมดมนต์เพื่อสร้างเสริมสร้างกําลังของสติให้มีมากขึ้นก่อนเพื่อที่จะได้ไปเดินโยผมนั่งสมาธิได้จิตมีความสามารถรู้ตัณหาทั้งสามไหมครับเช่นจิตรู้ความทยานที่ก่อตัวอยากลิ้มรสในอาหารที่ตาเห็นครับยิตรู้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของดีหรือของไม่ดีกัดใจส่วนใหญ่เขา จิตของบุตุชนที่ไม่มีปัญญารู้ว่าตอนหิวตอนอยากอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มรู้แต่ไม่รู้ว่าของความอยากเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นความทุกข์ความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นถ้าเกิดดูเราตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆนี่ยเราจะรู้สึกสบายสบายพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บอ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่เฉยๆไม่ได้อล้วเนี่ยมันเพราะมัน ความย า, มากมันกระตุ้นให้ใจแลราเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มน้องดิ้นรนนะครับเราจะเห็นได้ใช่ไเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเวลาจิตเราเฉยเฉยเราสบายแต่พอคิดอยากจะลุกขึ้นมาปั๊บโอ้ยทรมานใจขึ้นมาทันทีถ้าเรยั ง, งนั่งต่อครับผม <c oughs> ตอนนี้กลับเรียนพระอาจารย์นะครับแก้ปัญหาได้อีกละครับอาจารย์ตอนนี้ผม หลายไปทางเ็บเฟสส่วนตัวได้แล้วนะครับพี่บอยด้วย <Okay. S 1> ช่วยดูด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคบาปไม่ทำอขอไปครับบาปไม่ทาบุญไม่ค่อยสร้างาาาาศีลห้าไม่ขาดตายไปอยู่ทถวไหนข้าจาจย์ถ้าศีลห้าไม่ขาดก็ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยก็ไม่ต้องไปอบาย ตัวเ น, นี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้ใจไปตกตกดังโลกไปเกิดเป็นเปรตไปเป็นตัวสุร่ากายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาพอตายไปก็จะมารอรับร่างกายใหม่ต่อไปได้เลยนะครับจะบอกว่าเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางเฟซส่งคําถามได้นะครับตอนเช้าใส่บาตรพระรูปที่หนึ่งท่านให้ขนมกลับม า, าเราเอาขนมนั้นมาใส่บาตรพระรูปที่สองอย่างนี้ได้ไหมครับ ใช่เป็นของของเราแล้วเรายังไปทำอะไรก็ได้เราใส่บาตรเราก็ได้บุญเราไปกินเราก็ได้ขนมแทนไม่ได้บุญผ้าที่ให้เราท่านก็ได้บุญของท่านผ้าที่ให้ขนมเราท่านก็ได้บุญของท่านแล้วเราขนมนี้ไปให้คนหนึ่งเราก็ได้บุญหนก่แล้วถ้าอีกคนหนึ่งที่เขาได้รับมาไปให้อีกคนหนึ่งเขาก็ได้บุญอนึ่งแต่ถ้าคนนั้นคนนั้นไปกินก็คนนั้นก็ไม่ได้บุญแล้วก็ได้ขนมได้กินขนมแทน แล้วขนมชิ้นเดียวนี้ได้บุญหลายหลายต่อได้นะครับมลายทอดหลายทอดได้ครับแ ต, แต่ห้ามสั่งนะห้ามสั่งว่าช่วยเอาเอาขนมนี้ไปให้ภาพลุกนั้นหน่อยนะถ้าสั่งนี่คนที่รับไปนี่เป็นแต่รับใช้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําบุญตัวก็ไม่ได้บุญนะเพราะมันจะเป็นของของเขาเป็นของคนอื่นฝากมาให้ไปไปให้อีกคนหนึ่งก็จะได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นนั่นเป็นบุญคนละชนิดกับบุญที่ให้ทาน ดังนั้นเวลาราให้เงินใครแล้วอย่าไปบอกเขาว่าให้ไปทำนู่นทำนี่เท่ากับสั่งเขาใช้ของที่เราอยากให้พ่อแม่ทําบุญนี่แตถ่ถ้าเราไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ผมให้เงินนี้เพื่อให้พ่อแม่ไปทําบุญนี้จถึงแม่พ่อแม่เอาไปเอาไปทําบุญตามที่เราบอกท่านไม่ได้บุญเลยจากจากจากเงินก้อนนั้นเพราะว่าเราเป็นคนไปบอกท่านเหมือนกับไปใช้ท่านให้ช่วยทําบุญให้เราค hmm. แต่ถ้าเราให้เงินพ่อแม่ไปบอนี่ผมขอ มอบให้พ่อแม่ใช้ตามอธัธยาสัยอย่างเงี้แล้วถ้าพ่อแม่อยากย่าไปทําบุญถ้าเราไปทําบุญท่านจะได้บุญส่วนเราก็ได้บุญตอนที่เราให้พ่อแม่ไปแล้วทำบุญกับพ่อแม่เลยแต่ถ้าเราบอกว่านี้ถ้าเราบอกว่ามีเราได้บุญแต่พ่อแม่ไม่ได้บุญเราได้บุญจากการให้ใช้พ่อแม่ไปทําบุญให้กับเราครับผมชอบมีความคิดไปในทางลบ ตลอดครับจะจะบังคับตัวเองยังไงใครับทั้งทั้งที่ไม่อยากคิดเลยครับพ๋เ อ, อเวลามันขึ้นมันก็ลบมันเสรลบด้วยพุโทโธเวลาคิดถึงความไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปนะถ้าพักหนึความคิดไม่ดีนั้นก็จะหยุดพอหยุดเราก็หยุดพุดโทโธพุโทโธนี่เป็นเหมือนอย่างลบที่เราลบเวลาที่เราเขียอะไรผิดแล้วเราต้องการจะแก้แล้วก็ลบบรรทัดออกได้ทำไมก่อนเราใช้ดินสอกันต้องมีอย่างลบเนี่ยเราคิดไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธลบมันไป ทุกครั้งพอมันคิดไม่ดีแล้วก็พูดโธรพูดโทไปแล้วต่อไปแล้วก็สอนใจว่าอยากคิดแบบนี้คิดได้มันไม่ดีมันจะนำความเสียหายความเดือดร้อนให้กับเราแล้วพูดต่อไปพอสอไม่ไปบ่อยๆต่อไปมันก็จดจําไดนะ้มันก็จะได้คิดได้ถ้าเราทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรเราได้ไหมเราทําถูกไหมครับ แล้วแต่ว่าจ้า ก, กรรมในเวรนี่เป็นใครเป็นดวงวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราอูติบุญไปเขาไม่ได้รับถ้าอยากจะให้เขาได้รับได้รับประโยชน์จากเราแล้วก็เอาเองินที่เราทําบุญนี้ไปให้เขาเลยให้โดยตรงไม่ต้องไปทําบุญให้เสียเวลาเขาก็ได้รับเงินจากเราเขาอาจจะมีความรู้สึก<ม>เออเขาดีกับเรานะอาจจะให้อภไยก็ยกโทษให้เราก็ได้ จะสร้างมิตรภาพสร้างความเมตตา ก, กับเขาถ้าเราต้องการที่จะให้เขาเปลี่ยนจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามาเป็นมิตรกับเราเราก็ต้องทําความดีกับเขาแต่ที่เราต้องทํากับคนที่ตายไปแล้วต้องส่งบุญไปก็เราไม่สามารถทําความดีกับเขาได้นะเพราะเขาตายไปแล้วการทำความดีกับคนตายก็คือการทําบุญก็ะส่งบุญนี้ไปให้เขาเทานั้นเอง ถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ขอรักษาเพราะถึงยังไงก็ไม่รอดอย่างนี้เหมือนเป็นบาปเหมือนฆ่าตัวตายไหมครับไม่เหมือนเนาะเพราะเราไม่ได้ทําให้มันตายมันตายของมันเองเราเพียงแไม่รักษาความลังเลสงสัยหนึ่งในนิวรณ์ทำไมเป็นอุปสรรคปิดกั้นความเจริญทางธรรมครับต่างกับการใคร่ครวญในธรรมอย่างไรครับ บางทีเราสงสัยว่านิพพานมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่ า, รรลานั่งสมาธิแล้วใจจะสงบทำให้ใจได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าอันนี้มัอาจจะทําให้เราสงสัยไม่แน่ใจเมื่อไม่แน่ใจบาทีว่าทำให้เราไม่มีความไม่มีความขวนขวายไม่มีความยินดีที่จะทําสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราได้ยินจากพระพระอริยบุคคลท่านยืนยันแล้วทำแล้วดีได้ผลแน่ๆร้อยเปอร์เซต เมืันกับคนที่มายืนยันว่าแทงเลขนี้เราต้องถูกแ น, น่ๆอย่างเงี้ยถูกถูกแล้วเนี่ยถ้ามีคนมายืนยันให้กเราอย่างนี้คำลังเลยสงสัยก็จะหมดไปส่วนการใค่ายควรทําำก็เป็นการใค่ายควรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เราไม่หลงไมเ่เด็นช่ให้ใค่ายควรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันธรรมดาไม่องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วใจเราจะค่อยๆยอมรับซึมซาบความจริงอันนี้เข้าไปในใจเราจะไม่ต่อต้านจะไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตอนนี้ก็เลยพันเจ็ดร้อยกว่าคนเลยครับอาจารย์ครับในสามช่องทางคบถ้วนคราวที่แล้วอาวทิตย์ที่แล้วที่ดูในช่อง Facebook นี่ขึ้นกับสามแสนนี่คนอยู่ใช่ครับอาจารยดดด์ดูย้อนหลังนดูทีหลังนะ แต่ตอนที่สุดนี่ก็ยังมีมีมมกี่รอยใช่ไหมตอนนี้มีกี่รอย้ะตอนนี้ในส่วนตัวของผมมีวูสองร้อยเจ็ดสิบสี่คะรั บ, รบแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาเป็นแสนได้ น, น่ะพอหลังจากเลิกแล้วนะครับมีคนดูต่อครับ น, นเมื่อเราเจออารมณ์ไม่พอใจมากระทบแล้วเราย้อนเข้ามาดูอาการของจิตแล้วเห็นจิตนิ่งเฉยควรทำแบบใดต่อไปครับก็ไม่ต้องทำเท่านนิ่งเฉยไม่เดือดร้อนก็ ถ้ามันเดือดร้อนเราก็ต้องห า, าวิธีทำให้มันม่นให้มันกลับ ม, มานิ่งเฉยให้ได้อย่าให้มันร้อนร้อนอนนดขึ้นมาครับท่านปรฐานวุฒิสภามาชมด้วนยนะครับท่านลูกเรียนจบแล้วครับแต่ในฐา น, นะความเป็นพ่อก็ยังห่วงเสมอเราจะวางใจอย่างไรดีครับก็อย่างที่บอกเราต้องยอมรับว่าคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เขาจะดีจะชื่วเขาจะสุขจ ะ, จะเจริญอยู่ที่การกระทําของเขาเรามีหน้าที่สั่งสอนเขาให้รู้จักความความผิดถูกดีชั่วแล้วก็มันอยู่ที่เรื่องของเขาว่าเขาจะเลือกทําอะไรต่อไปแล้วเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่ต้องเกิดขึ้นจะเจนเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เราต้องพยายามยอมรับความจริงอันนี้แล้วเราก็จะหายเครียดหายทุกข์ไปกับเขา ดวงจิตจะเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ครับคือมันไม่เข้าหรอกมันส่งกระแสมามาม า, มาติดต่อมาติดที่ร่างกายก็ตั้งแต่เริ่มมีปฏิสนธิในครรภ์พอมีธาตุของพ่อกับของแม่มันผสมกันปั๊บพอมันติดมันจะมั น, น, นเริ่มเจรินเติบโ ต, ตก็แสดงว่ามีการมีมีมดวงวิญญาณมาเกาะด้วยมันต้องมีสามส่วนในการมามามาม า, มาประสานกันถึงจะทําให้เกิดมีการปฏิสนธิขึ้นมาได้ อาจารย์ครับท่านประธานวุฒิสภาฝ า, ากกาบพระอาจารย์ด้วยนะครับท่านมงคลครับยินดีตอนนำถ้าติดอยู่กับอดีตที่ยิ่งใหญ่และพยายามสวดมนต์ให้สงบแต่เหตุการณ์ก็ยังมาฝันซ้ำๆไม่สามารถหยุดได้เลยเป็นกรรมหรือเป็นเรื่องบุญที่จะรักชาติครับเวลาเวลาเราฝันนี่เราควบคุมบังคับความฝันไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของขอ ง, ของบุญหรือบาปที่เราเราได้สะสมทำเอาไว้ในอดีตมันก็จะมาปรากฏขึ้นในขณะที่เราฝันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีกําลังมากกว่าเราก็จะฝันดีถ้าฝ่ายบาปมีกําลังมากกว่าเราก็มักจะฝันร้ายเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องกังวลเวลาที่นอนนอนเรานอนหลับนอนไม่มีสติที่จะไปบังคับจิตให้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้ มัน <S an> <า>ขึ้นอยู่กับอำ น, นาจของบุญของบาปที่เราได้ทําไว้เป็นตัวที่จะสร้างบุญนับบาปให้กับเราสร้างสร้างเหตสร้างความฝันที่ดีและไม่ดีให้กับเราอันนี้แหละเป็นตัวอย่างของของเวลาที่เราตายไปแลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราตายเราก็จะอยู่ในนอกของความฝันบุญกับบาปก็จะเป็นตัวสร้างความฝันให้กับเราสร้างเรื่องที่ทําให้มีแต่ความทุกข์หรือสร้างเรื่องที่มีแต่ความสุขฝันดีเราก็เร so ียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เราก็เรียกว่าเอบไป อาจารย์ครับแล้วการตัดสินใจทําอะไรในฝันนี้มันเป็นจิตของเราไหมครับใช่มันเป็นแสดงว่าเราได้ฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วเ่อถึงเจอเหตุการณ์เล่านี้มันก็จะทําไปตามที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาครับผมบางคนเวลาเจอเหตุการณ์ว่าจะต้องถูกยิงตายก็ยอมตายเลยเพราะเคฝึกฝนมาแล้วกเวลาในฝันมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะปล่อยร่างกายปล่อยให้มันตายนั่นเลยมันแสดงว่าออเราเราไม่กลัวความตายนะ ถ้ามีโรคประจําตัวเช่นโรคกระเพาะอย่างนี้เราบวชได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลรักษาโดยที่ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นได้หรือเปล่าเพราะการมาบวชนี้เราต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองเราจะมาสร้างภาระให้กับพระลูกอื่นไม่ได้นทุกคนมานี้ต้องพร้อมที่จะพร้อมที่จะดูแลรักษาตนเองทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ถ้าทำไม่ได้มันก็บวชไม่ได้ก็อยู่ที่พระคนที่รับบวชน้ ว, ว่าเขาจะเขาจะพิจารณาอย่างไรว่าเราอยู่ในกรณีที่ยั ง, ยงบวชได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับพระอุปราชะตอนนอนบางครั้งขยับตัวไม่ได้ครับแม่บอกว่าเป็นผีอัมอย่างนี้เกิดจากผีจริงๆไหมครับไม่มีหรอกผีมันเรื่องของจิตนะบางทีจิตไม่ไปไม่ไป สั่งให้มันเคลื่อนไหวมันก็ไม่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่ที่คำสั่งของจิตบางทีจิตมันอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำงานก็ได้ชั่วคราวคุณยายเพิ่งเสียครับพาท่านจากไปอย่างสงบด้วยพุทโธคุณยายจากไปแบบรู้ตัวก่อนท่านหมดลมท่านพูดว่าปิดตาให้แม่ด้วยลูก และท่านก็ภาวนาพูดพุดโทสู้เวทนาจนจากไปช่วงเวลาก่อนหมดลมหนูพาคุณยายพูดโธรตลอดมีช่วงสุดท้ายคุณยายลืมตาหนูไปกระซิบข้างหูบอกยายให้หลับตาไปกับพุดโธย้ายหลับตาแล้วนิ่งไปเลยคุณยายจากไปแบบไม่ทรมานได้สังเสียหนูถามยายว่าห่วงอะไรไหม ย, ยายบอกไม่ห่วงหนูบอกยายกําลังจะตายนะยายบอกจ้า อยากขอบคุณพระอาจารย์ที่หนูมีสติวางแผนส่งคุณยายจนหลม่มใจสุดท้ายอย่างสงบเพราะได้ความรู้ได้ปัญญาจากพระอาจารย์นะครับก็อนุโมทนาด้วยการมีสตินี้ก็จะตายอย่างสงบแต่ไม่ได้มาคราบว่าเราจะไปสุคติหรือทุคติมันขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่เราได้สะสมไหมว่าบุญมากกับบาปหรือบารมากกับบุญแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่สามารถมีสติรับ แบบสงบตายแบบสงบได้ไี่มักจะมีบุญมากกว่า บ, บากคุณแม่อายุมากแล้วแต่ก็ไม่สบายบ่อยเราควรทําจิตอย่างไรไม่ให้ทุกข์และไม่ให้คิดมากครับร่างกายเป็นอนัตตาไงมันเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันจะเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บบ่อยและไม่บ่อยมันก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมคือร่างกายหรือนิร่ากาศ บางวันฝนจะตกมากฝนเราจะตกน้อยเราไปควบคุมบางครั้งมันไม่ได้ถ้าปัา่ญามันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันทําบุญแบบไหนจะได้ถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับก็ใส่ใส่บาตรบริจาคเงินให้กับวัดหรือโรงพยาบาลโรงเรียนหรือใครก็ได้เป็นทานทําทานแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนั้นให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ เน้นทำกรรมดีในปัจจุบันส่วนกรรมที่ผ่านมาเราไม่สามารถไปแก้ไขได้โยงคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องอดีตเราไปแก้ไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันที่ยังที่ยังไม่มีอะไรให้เกิดขึ้นให้ดีก็ได้ทำให้ให้มันดีก็ได้นึกทำให้มันไม่ดีก็ได้เราทำได้แต่เฉพาะในปัจจุบันนี่ครับจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วจะมีความสุขโดยไม่ต้องทาอะไรใช่ไหมครับ ใช่เพราะว่ามันมีความอิ่มความพอความนิ่งสงบไม่วุว่นวายไม่หิวโหยกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่เป็นครูกรเกษียณแล้วทั้งคู่สามปีต้องเจอการทะเลาะกันเกือบทุกเช้าเคยไปห้ามก็ห้ามไม่ได้บางทีกลายเป็นทะเลาะกันอีกบางครั้งถ้าสติทันก็จะไม่ไปยุ่งแต่บางทีโกดไม่ได้ครับขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับ ก็เข <G ül üş> าทะเลาะ ก, กันมาก่อนที่เรามาอยู่กับเขาอยู่แล้วถ้าเราไปจากนี้เขาก็ทะเลาะของเขาต่อไปก็ปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขาไปเป็นกรรมของสัตว์ไปครับถ้าเราเป็นคนทําอาหารแล้วให้พี่สาวใส่บาตรเราจะได้รับบุญเหมือนคนใส่เองไหมครับข <G ül üş> ึ้นอยู่ว่าอาหารเป็นของใครใครเป็นคนจ่ายเงินเสื้อกับข้ามาทําอาหารอันนี้เป็นบุญแบบคือ ถ้าใช้ใจ่ายที่เราต้องเสียนี่เป็นของใครถ้าเป็นของเราเราก็จะได้ส่วนนี้คือได้ได้เสียสลักเงินทองเพื่อซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวแต่บุญที่ได้จากการทำกับข้าวเราก็เป็นคนทาเราก็จะได้ส่วนบุญที่เกิดจากการใส่บาตรนี้เราไม่ได้ใส่คนที่เข้าไปใส่เขาก็เขาก็จะได้บุญส่วนนั้นไป เป็นคนคิดมากครับฟุ้งซ่านสมาธิไม่ค่อยมีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับมันเจริญสติอยู่เรื่อยให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธแทนที่แทนทีจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาคิดพุดโทโธพุโทโธแทนหรือถ้าพุโทโธคำเดียวมันมันซ้ำซากมันเบื่อก็อาจจะสวดยาวๆหน่อยก็ได้สวดพุดทธังสะนังกระฉามิธรรมังสะนังกระฉามินรยามกว่านั้นก็สวดอิติปิโสภะปะวาไป แๆๆ <ๆ S 1> ล้วรับประทานอาหารขนมกับข้าวจากวัดมีคนเอามาให้อย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเราไม่ได้เป็นสัมภารให้เขาไปขโมยมาเราไม่บาปถ้าเขามาให้เราแ ต, แต่เราไม่รู้ว่าเขาเอามาขโมยมาหรือไม่นี่เราก็ยังไม่บาปเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาอย่างไรเขาขโมยมาแล้วว่าเขา ได้มาโดยที่ทางวันให้เขามาแต่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเ ร, เรื่องส่วนนั้นส่วนที่เกี่ยวกับเราก็คือเวลาเรารับของจากเขานี้ขึ้นอยู่กับว่าเราบอกให้เขาไปหามาให้เราหรือเปล่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้บอกเราก็ไม่บาปแต่ถ้าเราบอกว่าช่วยไปขโมยอ า, ารที่อยู่ใน้านมาให้เราหน่อยถ้าอย่างนี้เราก็จะบาปเพราะเราสารเขาทำให้กับเรา พอปัญญาจากพระอาจารย์ในการพิจารณาสังขารยามเจ็บป่วยครับไม่ได้ทุกข์กับความเจ็บป่วยมากแต่ทุกข์กับการทำงานไม่ได้ครับพระอาจารย์มันก็ความทุกข์ที่เกิดจากการทำงานก็เกิดจากความอยากของเราอยากไปทำงานแล้วทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ให้เราทุกข์ก็เราต้องหยุดความอยากการไปทำงานเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เราไปทางานไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่า กลับเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แม่จะหลงเรื่องเดิมๆที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะเครียดเป็นแบบนี้ทุกวันเราจะทําอย่างไรให้รับสภาพว่แบบนี้ได้ในทุกๆวันครับเพื่อจะไม่ต้องบาปต้องหงุดหงิดกับแม่ครับเก็อยอมรับความจริงของแม่ว่าแม่ก็เป็นอย่างนี้ก็รู้ตามความเป็นจริงไปอย่าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเพราะอยากแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเราก็จะทุกข์ใจตอนนี้แม่เป็นซส้อมอย่าไปอยากให้แม่เป็นกล้วยกว็เท่านั้นเอง อันนี้แม่เป็นอัลไซเมอร์อย่าพยายามให้ท่านไม่เป็น Alzheimer, อัลไซเมอร์ความอยากให้ท่านไม่เป็นอัลไซเมอร์มันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่ได้ดังใจอยากตอนนี้ลูกมีความทุกข์มากครับสามีอยู่โรงพยาบาลต้องตัดขาแต่ตอนนี้รอเลือดรอหมอดมยาจะให้ผ่าตัดได้ครับผ่าจา์ก็ยอมรับความจริงแล้วร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยง มันมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ช้าก็เร็วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคนมีจริตไปในทางผัดวันประกันพรุ่งในการทำหน้าที่การงานแต่บ่อยครั้งที่การผัดวันประกันพรุ่งก็มีเหตุมีผลในตัวของมันอยู่ไม่น้อยควรใช้หลักธรรมข้อใดมาปรับปรุงแก้ไขครับถ้ามันมีเหตุมีผลก็ก็ไม่เป็นปัญหาะไรเช่นเราจะทาแล้วมัน คนทีผ่ผลตกทําไม่ได้เราก็ต้องเลื่อนไปวันพรุ่งนี้อย่างนี้ถ้ามันมีเหตุมีผลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีเหตุมีผลเราก็ไม่ควรเลื่อนเพราะมันจะทําให้เราเสียเสียประโยชน์การกระทําต่างๆนี้เราทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาพอเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้ประโยชน์คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราทําเราก็จะได้ประโยชน์เช่นถ้าเราไปขายของวันนี้เราก็อาจจะขายของได้ได้เงินเข้ามาแต่ถ้าเราขี้เกียจวันนี้เราไม่ไปขายของ วันนี้เราก็จะไม่มีรายได้เข้ามาเห็นเ่าให้เราดูที่ผลที่เกิดเกิดจากการกระทํารือไม่กระทําของเราแล้วมันก็จะทําให้เรามีความขยันไม่ผัดวันประกันพรุ่งใส่บาตรทุกเช้าเราเปล่งเสียงเรียกมาอนุโมทนาเจ้าที่แม่พระธรณีทุกดวงจิตวิญญาณจะได้บุญด้วยไหมครับ อยู่ที่เขาเขามารับหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่ได้คนที่ไม่มีฮิริโอตับ ป, ปะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทําบาปก็ไม่ได้รับความทุกข์ใจจะถือว่าไม่ได้รับกรรมเช่นนั้นหรือเปล่าครับเขาต้องรับกรรมถึงแม้กขาอา จ, จะไม่ทุกข์ใจตอนนี้เดี๋ยววันหานึ่งเขาก็ต้องทุกข์ใจขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วมันหลีกเลงไม่ได้หรอกเพราะทบาปแล้วมันจะต้องเกิดความวิตกกังวล บาตรัวกับวิบากของที่จะเกิดขึ้นตามมาอาหารที่เราทําใส่บาตรแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะได้ไปเจออาหารนั้นไหมครับก็มันก็เป็นโลกทิพย์ไงมันก็อยู่ที่ว่าจิตใจเราฝันถึงมันหรือเปล่าสร้างมันขึ้นมาในในโลกทิพย์หรือเปล่าเราไม่ได้กินอาหารที่เราที่กินที่ร่างกายกินเนี่ยเวลาเราตายไป เราจะกินอาหารที่เราสร้างขึ้นมาในในในในฝันของเราเก็แสดงว่าเราคงยืนได้กินอาหารที่เราเคยกินอยู่เราชอบกินอยู่ ร, <laughs> ร่างกายไม่แข็งแรงครับจะฝึกนอนไม่ไม่เปิดแอร์แต่ร้อนอึนอดอัดมากจะฝึกอย่างไรเพราะนอนแอร์มาสามสิกว่าปีครับ ก็ก็เปิดบันท่นั้นเงนี่ก<ะ y aw>็ยามจะทำไงถ้าไม่ทํามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทํำสักทีถ้าคุณพ่อเสียไปนานแล้วทําไมเราไม่เราไ ม, เาไม่เราไปฝันเราไปฝันไหมไม่ฝ<น>ันถึงท่านไม่ฝันท่านครับก็ เ, เป็นเป็นเรื่องปกติบางทีเราคิดถึงท่านเราก็ฝันเห็นท่านบางทีเราไม่คิดถึงท่านเราก็ <c oughs> ไม่ฝันเห็นท่าน ศา ส, สนาพุทธสอนเรื่องกฎแห่งกรรมถ้ามีคนต่างศาสนามาสอบถามเราควรอธิบายอย่างไรครับเขาบอกว่าเนี่ยเราเราเรามีกรรมเป็นเป็นของของเราเราทําอะไรไว้เราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้ที่รับผู้ที่ทำกรรมก็คือใจไม่ใช่ร่างกายต้องอธิบายเขาฟังที่จะไปเกิดเป็นไปสวรรค์ไป ไปไปอบายไปนรกนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทําไว้ทุกข์มากครับควรจะทําอย่างไรให้หายทุกข์ครับก็หาใุของความทุกข์ก่อนว่าเกิดจากอะไรถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนท่านก็จะบอกว่าใจของเราเกิดจากกิเลสเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆ ดังนันตอนนี้เราค้นหาด้วยว่าตอนนี้เรากําลังโรคด้วยอยากได้อะไรไม่เปล่าอยากมีอยากเป็นอะไรหรือเปล่าพอเราอยากก็ไม่ค่อยยงใจอยากเราก็จะทุกขึ้นมาถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราก็ตัดความอยากนั้นไปหยุดความอยากนั้นให้ได้แล้วความทุกข์นั้นมันก็จะหายไปสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค การทำสมาธาิกรรมฐานไม่ว่าจะด้วยวิธีใดรักษาโรคเลือดล่างของตนให้หายไม่ได้ดังนั้นขยใครอยากออกอยากสะหายจากโรคเลือดล่างที่เป็นอยู่ต้องเลิกทำสมาธิเปลี่ยนมาทำสติปัฏฐานที่ถูกต้องแทนอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ไม่ไม่จริงอ่มันสติปัฏฐานมันก็มีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่การปฏิบัติสติปัฏฐานนี้เพื่อรักษาใจให้หายจากความทุกข์ไม่ใช่รักษาร่างกายให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บ แม้แต่นางกายพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิม <Yeah. S 1> าาท่านทุกดวงก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกองแต่ ใ, ใจของท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยากถามว่าถ้าใส่บาตแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบางทีก็ระลึกถึงพ่อแม่แต่บางวันถ้าฝันเห็นคนที่เสียชีวิตก็จะอุทิศให้เขาอย่างนี้ทําถูกหรือเปล่าครับเพราะว่าใส่บาตเกือบทุกวันครับ ก็แล้วแต่เราาเราอยากจะอุทิศให้ใครแล้วก็สามารถอุทิศได้มเมวลาเราเขียนเช็คเราอยากเขียนเช็คใส่ชื่อใครก็ใส่เข้าไปชื่อนั้นไปแล้วก็ส่งไปต้องบริหารต้องบริหารการใช้มือถือสื่อออนไลน์ กับการดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งมือถือตลอดได้อย่างไรดีครับบ่อยครั้งมือถือมาแย่งเวลาในการทํางานอ่านหนังสือไปหมดควรจัดการบริหารการใช้มือถืออย่างไรดีครับเราก็ต้องมีวินัยเราก็ต้องกาหนดเวลาว่าและกำหนดให้ถึงของการใช้มือถือว่ามีไว้เพื่อใช้กับธุรกิจติดต่อการงานต่างๆจะไม่ใช้ใช้กับเรื่องของการบันเทิงเป็นต้นทางที่ดีก็ซื้อ ตัวสามารบแบบเป็นมีแต่พูดเข้าต่อโทรออกได้ก็พอดูเน็ตไม่ได้ติดต่อนเน็ตไม่ได้มันก็หมดปัญหาไปง่ายๆเลยถ้ามีเน็ตเข้ามาแล้วมันก็มันก็เหมือนกับอยู่ใกล้ขนมเนี่ยมันก็ใจมันก็หักข้าไม่ได้พอเห็นขนมทีไรก็อยากจะเอามือไปหยิบมากินทันทีครับางที่ดีก็พยายามอย่าให้อย่าใช้มือถือแบบที่ต้องเข้าเน็ตติด เข้าเน็ตได้ก็แล้วกันเ อ, เอามือถือแบบใช้โทรแต่เฉพาะโทรโทรเข้าโทรออกก็พอคุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตครับวันที่สี่เผาไปวันที่เจ็ดวันนี้สิบห้าแล้วท่านจะไปไหนหรือยังครับท่านไปต้องนานแล้วละ่ะไปหนาตานท่านหมดลมหายใจนละ้ไปดีไปไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ท่านได้ทำเอาไว้ นั่งสมาธินานๆเวลาออกจากสมาธิมาชาเจ็บเหมือนเข็มทิ่มทําให้ไม่อยากนั่งสมาธินานๆอย่างนี้มีวิธีแก้ไหมครับเพราะเรายังนั่งไม่สงบนะถ้านั่งสงบแล้วเวลาออกมานี่มันจะไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายเลยที่เรานั่งเรามันไม่มันไม่สงบมันมันก่ออาการเครียดในใจต่อสู้กันระวังสติกับกิเลส มันก็เลยส่งผลให้กลับทําให้น่างกายการอาการเจ็บปวดไปด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวลมันไม่เรื่องธรรมดาพาอออกมาหน้าเดียวมันก็หายไปอาการเจ็บแบบนี้ก็หายไปอย่าให้ยาเอามาเป็นอุปสสัตถ้าเรากลัวกับเจ็บแบบนี้ต่อไปเราอาจจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้ต้องยอมเจ็บบ้างคนเราอยากจะได้ของดีก็ต้องทนบ้างแมวเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีหกสี่ครับ ไปเผาที่วัดเรียบร้อยแต่ไม่ได้ไปลอยอังคารครับเพราะยังตัดใจทําใจไม่ได้ควรจะนํากระดูกไปลอยอังคารหรือเก็บไปได้ครับก็ <c oughs> แล้วแต่คุณนะคุณคในทองของคุณเป็นลูกนะครับฝากคุณแม่ใส่บาตรให้ทุกวันอย่างนี้เราได้บุญไหมครับเราได้บุญเพราะฝากคุณแม่หมายถึงว่าเราต้องให้เงินคุณแม่ด้วยหรือฝากของให้คุณแม่ใส่บาตร ถ้าเป็นของของเราเราก็จะได้บุญแต่คุณแม่ไม่ได้บุญจากการใช้บาทของเราแต่คุณแม่จะได้บุญจากการนับใช้เราคนละบุญกันขอความเมตตาพระอาจารย์ครับคนเราเกิดมาเพราะกรรมส่งผลให้รับทุกขวเวทนามีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรครับ เออถ้าเรามาเกิดมีร่างกายมันก็เป็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องมีการเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้าเราต้องการที่จะไม่ทุกกับทุกขเวทนาของทางร่างกายเราก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเมราะถ้าเรามีสตินั่งสมาธิได้เวลาเกิดาการเจ็บปวดทางร่างกายเราก็เข้าสมาธิไปเราก็จะไม่รับรู้เรื่องความเจ็บของร่างกายได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญา แต่ต้องใช้ตลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเจอความเจ็บป่วยของร่างกายแล้วก็สอนบัญญัสอนใจด้วยปัญญาว่าเราหนีความเจ็บป่วยไปไม่ได้ความเจ็บของร่างกายไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราสั่งให้มันหายไปไม่ได้เมื่อเราสั่งให้มันหายไปไม่ได้ถ้าเรายอมรับมันอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราตัดความอยากให้ อยากให้ความเจ็บหายไปเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกขนะ์ถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้อยาอยากปอยากให้มันหายไปให้มันอยู่กับมันไปเราเราทำใจเฉยๆให้อยู่กับมันให้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันผมทำสมาธิทุกวันครับแต่ไม่เคยนิ่งเลยครับรอาจารย์เพราะสติเรายังมีกำลังน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อน ฝึกสติทั้งวันเลยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้การเป็นถามพระอาจารย์ครับสี่ห้าข้อถ้าหากเราละไม่ได้สักสองข้อที่เหลือโยมว่าสามารถทําได้แต่สองข้อก็ผิดเพียงเล็กน้อยไม่เบียดเบียนใครแบบนี้ยังถือว่าเรารักษาศีล่ห้าข้ออยู่ไหมครับไม่หรอกข้อไหนที่เรารักษาไม่ได้ก็ถือว่าเรายังเราก็ไม่ได้รักษาข้อนั้นไป พราะใรักษาได้ก็ถือว่าเรารักษาได้ ไ, ได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งบางที่ยังได้ไม่เต็มร้อยก็มีก็เป็นในกับการทําข้อสอบวิชาต่างๆเรามีห้าวิชาที่เราต้องไปสอบมันจะผ่านสักกี่วิชาจะได้กี่คะแนนได้สองจุดได้สามจุดหรืได้สี่จุ ด, ด, จ ด, ด, จดก็อยู่ที่การการกา ร, การการกระทําของเรานี่เหลืกราบนััสกาผู้จารย์ครับ ก่อนตื่นนอนทุกวันจะฝันถึงเรื่องราวต่างๆทั้งของตัวเองหรือบุคคลอื่นที่รู้จักหรือไม่รู้จักเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากนั้นตื่นจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับไม่ต้องไปสนใจหรอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันรู้ว่ามันเป็นอนัตตาเราควบคุ ม, มคบังคับมันไม่ได้เราไม่ต้องไปยึดไปติดกับมันรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันเป็นอดีตไปแล้วเราพยายามดึงใจเราให้มันอยู่ในปัจจุบันดีกว่า มาสนใจกับเรื่องเที่ยวร่างกายขึ้นในปัจจุบันเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องใส่บาตรพระถ้าหนูใส่แต่ไข่ต้มกับข้าวทุกวันตามเหตุปัจจัยหนูได้บุญเหมือนกันไหมครับคือบุนี่มันก็แต่ละคนมันก็ได้มากได้น้อยไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราเราบริจากหรือสัเสียสละมันสัดส่วนของทรัพย์สินขอ่เรามากน้อยเท่าไหร่ เราไม่ได้ดูที่ตัวเงนินดูที่ของเราดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินเช่นนั้นเ ร, เรามีรายได้พันอย่างนี้ต่อเดือนแล้วเราแบ่งมาสิบเปอร์เซ็นแล้วเราบริจาคร้อยหนึ่งอีกคนหนึ่งมีรายได้หมื่นหนึ่งถ้าอยากจะทําทบุญได้เท่ากับเราเขาต้องบริจาคพันหนึ่งทำร้อยละสิบเท่ากันกนต้องดูที่ต้องสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปพระอาจารย์ทําไปหมดเลยครับอาจารย์ ก็มาบวชนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ทำบวดมีร้อยบาทมีสองพันสองร้อยบาทก็คนจนยังถึงมาบวชง่ายกว่าคนรวยคนรวยนี่บวชยากกว่าเพราะมีทรัพย์สินเยอะกว่าบางีความยึดติดความห่วงความความเสียดายยังมีมากมันก็ จ, จะทำให้บวชไม่ได้ครับคนที่ทำบาปทำไม่ดีอ่ะนี่เหมือนตอบไปแล้ว แต่ผมสบายใจเอ่อแบบคนละคนครับอาจารย์คนที่ทําบาปทําไม่ดีแต่สบายใจมีความสุขเพราะได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญจึงเป็นที่มาของคําพูดในสังคมว่าทําดีไม่ได้ดีทําบาปได้ดีตัวผมเข้าใจนะครับแต่ขอป้าอาจารย์ตาหนัอธิบายด้วยครับก็ก็าอาจจะหงขณะที่เข้ามีความนุ่มนุ่มนุ่มหลงเข า, าจะมีความสุขแต่เวลาเกิดผลของบาปตามมามันจะทําให้เขาทุกข์เช่นเวลาถูกตํารวจมา จับหรือมีอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้มันก็ต้องเกิดเนี่ยไม่ช้าก็เร็วถึงแม้ว่าตอนที่ขโมยไงก็มามีความสุขแต่ถ้าพอรู้ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กําลังตามมาปั๊บนี่ความสุขที่ได้จากการขโมยไงก็จะหายไปยิงใจเกิดความทุกข์กวลังไม่ตอกกังวลแล้วกูจะไปถูกจับหรือไม่อย่างไรต่อไปกูจะถูกเข้าร้างแค้นหรือเปล่าเราไปทำร้ายผู้อื่นะ เขาจะกับต้นตามมาร้างแค้นเราหรือเปล่ามันมีผลกระทบเพียงแต่ชา้าเรื่อยๆเท่านั้นเองทําไมถึงเอาคนที่ทําให้เสียใจออกจากหัวไม่ได้เลยครับขอความแนะนำค่ะอาจารย์ครับพรเราไม่หยุดคิดถึงเขาแล้วอย่าไปคิดถึงเขาสิเวลาเราคิดถึงเขาเราก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไป การเพียนถามพระอาจารย์ครับเคยเข้าปฏิบัติยี่สิแปดวันปิดวาจาและรับสิ่งแปดปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงอุเบกขาจิตถึงอุเบกขาครับควรทํายังไงต่อครับก็ควรจะบวชต่อไปเลยก็ได้อุเบกขาส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครอยากจะเสืกกันอยากจะไปเดือดไปตลอดชีวิตอยากจะรักษาให้จิตเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลาเพราะไม่มีความสุขอะไรจะน้อยพิเศษเท่ากับใจที่เป็นอุเบกขา จิตผมอยู่ดีๆก็พยาบาทผู้อื่นที่เคยมีสัญญาความจําต่อกันจิตผู้รู้ก็รู้ทันว่ากําลังพยาบาตรผู้อื่นอยู่ผมควรทําจิตอย่างไรครับระหว่างอูเบกขาหรือเวนะให้เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากครับให้เห็นถ้วยของการพยาบา ม, มบาดีกว่าถ้าเราไปทนั่งทําอะไรเขาเดี่ยก็เป็นการจองเมญจองกรรมกันเรื่องก็จะไม่จบเราต้องให้อภัยกันใช้เมตตาให้อภยัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว อย่ามาจองเวรจองกรรมกันเลยเวยงงรไม่ยอมให้รังงับด้วยการจองเวรเวรอย่อมรังงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับใครเราก็อย่าไปพยาบาอมฆ่าพยาบามให้อภัยเขาผ่นแล้วเรื่องมันก็จะจบที่ตรงนั้นทุกคนที่เกิดมาต้องมีเจ้ากรรมในเวรไหมครับก็นล้จแต่เราสร้างกรรมเวรขึ้นมาหรือ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะสร้างกันทุกคนเพราะมันจะต้องเจอกันเจอกับคนนั้นคนนี้ที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดการเกิดขัดัดผลประโยชน์กันเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีเจ้ากรรมนายเวรพระเทวทัพเนี่ยอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงครับทําอย่างไรให้การให้เป็นการปฏิบัติธรรมครับก็มองตามความเป็นจริง เขาคนที่อยู่ติดเตียงก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเขาหรือมันเรื่องของการเกิดเมื่อเกิดแล้ววันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็จะอยู่เขาได้อย่างมีความสุขเมื่อเราตายไปแล้วจิตเราจะรับรู้และสัมผัสกับบุญที่ยากทําให้ได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่จะรับรู้ได้เปล่ ดวงวิญญาณบางดวงก็มีความสามารถที่จะรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรให้กับเขาได้เขาก็จะรู้ดวงวิญญาณบางดวงไม่รู้ก็ไม่รู้เอาเงินแม่ไปซื้ออาหารเพื่อใส่บาตรแต่ก่อนใส่เอามาให้แม่ที่ฐานก่อนแบบนี้แม่จะได้บุญเหมือนใส่บาตรกับพระไหมครับแค่นี้นนะคุณมาพูดอีกทีเลยคือเขา พี่เขาเอาเงินแม่ไปซื้ออาหารเพื่อไปใส่บาตรครับแต่ก่อนใส่ก็เอามาให้แม่อธิษฐานก่อนครับแบบนี้แม่ได้บุญเหมือนใส่เองไหมครับคือแม่จะได้บุญก็ตามเมื่อมแม่เป็นคนมีความตั้งใจอยากจะทำบุญแล้วก็เสียสละเงินของแม่ไปให้เราเอาไปทำอาหารมาให้แล้วให้แม่ เ, าเอามาใส่บาตรแต่ถ้าอยู่ดีๆเราไปเอาเงินมาเองโดยที่ท่านไม่มีจตจนาที่ต้องการจะเสียสละเนกอนนี้ท่านก็ยังจะไม่ได้บุญ เพราะเป็นเน ก, การบังคับให้ท่านทําบุญโดยที่ท่านไม่ไ ม, ไ ม, มีเจตนามีความตั้งใจที่จะทําทคนที่เขามาขอสมุนไพรที่วัดมาต้มกินเป็นบาปไหมครับไปขอต้นไม้ครับก็าอกไปขอกต้นไม้ครับพระจ้ะถ้าของในวัดที่เขาต้องขออนุญาตจากาพระก่อนจาเจ้าวาัดเพราะของทุกอย่างที่อยู่ในวัด น, นี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมงของขอ ง, ของสงของเจ้าวาัดของวัด ถ้าจะหยิบอะไรไปก็ต้องขออนุญาตก่อนมันก็เราไปอยู่ในบ้านของคนอื่นเขาได้เห็นมิเขาปลูกต้นปลูก ม, มังโมงไว้ ม, มังโมงหล่นลงมาแล้วก็หยิบ ม, มังโมงนี่เอาไปกินนี่มันก็มันก็บาปแล้วเพราะเราไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของของคนครับคนที่ฆ่าตัวตายชาตินี้จะต้องเกิดมาฆ่าตัวตายห้ารอยชาติถึงจะหมดกรรมใช่ไหมครับ คือไม่ได้หมดจำหรอกมันคือว่ามันจะติดเป็นนิสัยไปพอเขาเลยเคยแก้ปัญหาแบบนี้มาพอชาตหน้ามาเจอปัญหาแบบนี้แล้วว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยการฆ่าตัวตายอีกจนกว่าเราจะเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหานั่งสมาธิตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงทุกวันและระหว่างวันนึกขึ้นได้ก็ดูลมหายใจอย่างนี้มาถูกทางแล้วไหมครับถูกแล้วแต่ต้องทําให้มากขึ้น อายุ79ครับไม่ป่วยเลยครับจะอยู่อีกกี่ปีถึงจะหมดกรรมครับไม่ราบเหมือนกันนะมันกรรมไม่มันหมดไม่หมดมันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรายังทํากรรมอยู่มันก็ยังไม่มีวันหมดถ้าอยากจะหมดกรรมมันก็ต้องหยุดการกระทําหยุดการกระทํากรรมไมเป็นพระอรหันต์ไมเป็นพระพุทธเจ้านะถึงจะหมดกรรมได้เพราะเราจะได้ไม่กรรมมาเกิดอีก ถ้าตาดได้แลกลั ม, มาเกิดอีกก็แสดงว่าเราต้องมารับผลกรรมของเราต่อไปมาทำกรรมใหม่ใส่บาตรประจําได้บุญอย่างไรครับมีอานิสงส์มากแค่ไหนครับมันก็จ ท, าทาํ า, ทาททให้เราทําได้มากถ้าเราทําประจํามันก็จะทําให้เราทําง่ายนะทําได้บ่อยทําได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ทําประจํา บวชพระแล้วมาอยู่กับภรรยาสองต่อสองไม่กล้าไปเตือนว่าผิดวินัยสงฆ์กลัวเขาโกรธแล้วอย่างนี้แล้วที่เราไม่ไปเตือนเนี่ยเราผิดไหมครับไม่ผิดเราไม่ใช่เรื่องของเขาไม่จะทําอะไรกันเรื่องของเขาไปการทําทานเหมือนว่าเป็นฐานล่างสุดหรือเปล่าครับ เพราะเสมือนใช้เงินเป็นหลักสลาเงินออกจากตัวเราออกไปก็เป็นการทำทานขอทราบการทําบุญที่สูงกว่าทานศีลใช่คือศีลคือภาวนาหรือเปล่าครับแต่โดยรวมคนเราก็มีศีลห้าเป็นทุนเดิมหลักอยู่แล้วครับไม่แน่นอนคนเราบางคนทำบาปเยอะแยะไปไม่ได้มีทุนเป็นศีลห้าเหมือนกันทุกคนแล้วแต่ละคนมาคนแล้วแต่จิตของแต่ละคนได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างไร บางคนก็ถูกฝึกฝนอบมให้มีศีหน้าอยู่ประจําเขาก็จะมีสีหน้าบางคนก็ไม่ได้ฝึกฝนอบ ม, ม, มเขาก็ไม่มีแต่พูดถึงฐานของการทําความดีทําบุญนี้ก็เริ่มต้นที่ที่ทานก่อนเพราะเป็นยงวิธีทําที่ง่ายที่สุดเมื่อาสามารถทําทานได้แล้วเราก็สามารถทําขั้นที่สูงต่อไปได้ก็คือการรักษาสิ่งเมื่อ ร, รักษาสิลงได้เราก็จะทําขั้นที่ยากต่อไปขึ้นไปก็คือขั้นภาวนาได้ คุณพ่อเผาไปวันที่เจ็ดไม่ได้อากระดูกท่านเข้าบ้านเลยเอาไปลอยอังคารเลยท่านยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับ อ, อท่านไม่ได้อยู่ต้องนานแนละ้นท่านแยกกับร่างกายไปตอนที่ร่างกายตายไปแล้วท่านไปสู่สุคติแล้อไปสู่ทุตติแล้วเวลาเราลบสิ่งไม่ดีด้วยพุโทโธบ่อยๆจะช่วยเปลี่ยนระดับจิตเราให้สูงขึ้นได้ไหมครับ ได้เราก็จะไม่ได้ดึงจิตเอาให้ลงตำ่ำความคิดไม่ดีมันจะดึงให้จิตเราไปทำบาปแล้วจะทำให้เราลงต่าแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องที่ความไม่ดีต่างๆเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีจิตเราก็จะไม่ลงตำ่ำแต่จะให้สูงขึ้นนี่เราจะต้องคิดในเรื่องของการทำความดีเพระจะขึ้นสูงได้เราต้องทำความดีเราถึสามารถส่งจิตให้ขึ้นสูงได้ด้การทาบุญทาทานด้วการภาวนา ผู้ที่ปรามากผู้ถือศีลแปดเป็นกำหนักไหมครับไม่หนักหรอกมันก็เจะว่าหนัหรือเบาก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้จะไปว่าเขาทำไ ม, ไมปรามากที่มาถึงอะไรกันนะปรามากนั้ดูถูกดูเบนดูแค่รนหรอยัหญงน่าจะประมาณนั้นครับอาจารย์ครับแล้วในลักษณะไหนล่ะว่าปรามากคนที่ถือศีลแปดเนี่ยคุณมออธิบายด้วยเป็นยังไงในลักษณะอย่างไร ก็าอาจจะไปคิดไม่ดีหรือไปพูดไม่ดีเลยติฉินนิ่งทาประมาณนั้นนะครับอาจารย์ครับแล้วมันเรื่องอของเราที่จะไปว่าเขาไม่ทราบความหมายครับอาจารย์ถ้าไหว้พระสวดมนต์ขออธิษฐานชาติหน้าขอไม่เกิดแล้วเป็นมนุษย์มีแต่ความวุ่นวายอย่างนี้ขอได้ไหมครับขอไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติต้อง ต้องตัดเหตุที่พายเรามาเกิดก็คือกิเลสตันหากาจะตัดได้เราก็ต้องไปปฏิบัติทานสิงภาวนาเวลาใส่บาตรต้องกรวดน้ําทุกครั้งไหมครับเมื่อแต่เราเราอยากโยนทิ้งบุญเราก็กรวดไปถ้าเราไม่อยากโุนทิ้งบุญเราก็ไม่ต้องกรวดเราก็ไม่ต้องใช้น้ําด้วยสามารถกรวดแห้งแบบแห้งได้ด้วยกรารระลึกภายในใจของเราว่าขอทิ้งบุญส่วนนี้ให้กับบคุคคลนั้น บ, บุคคลนี้ที่น้องรับไปแล้ว ก็ถื่ว่าเราได้กดน้ําแล้วมีการประเมินหัวหน้างานหัวหน้าบอกทุกคนว่าอย่าเขียนบรรยายไม่ดีอะไรหรือไม่ต้องเขียนเลยแล้วให้ทุกคนตอบดีๆเพื่อให้คะแนนสูงเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมและโกหกมากถ้าเราทําตามหัวหน้าเราโกหกแบบนี้ผิดศีลข้อสี่ไหมครับเออมันไม่ตรงหลักจริงมันก็ผิดนะเมื่อมีคนทําให้เราโกรธ จะมีวิธีจัดการความรู้สึกนี้ให้เร็วที่สุดอย่างไรครับวิธีให้จัดการความโกรธให้เร็วที่สุดก็คือหยุดหยุดความคิดใช้คำ ว, ว่าพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคําพูดของเขาเป็นต้นพฤติการกระทําของเขาพอเราลืมเรื่องการกระทําของเขาได้ความโกรธก็จะหายไปเวลานั่งสมาธิแป๊บเดียวก็จะหลับเลยครับต้องทํำยังไงดีครับ สติน้อยมากต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่มานั่งลูกฝันเห็นพระอาจารย์หลายครั้งเห็นพระอาจารย์รดน้ำลูกเอามือรับเป็นความฝันที่ลูกดีใจพระอาจารย์แผ่บุญให้สัมภัสตร์หรือครับจึงฝันเช่นนั้นครับมันเป็นความคิดปรุงแต่ของเราเอง <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรครับ วันที่แม่เสียชีวิตเราไม่ได้ไปมันบาปไม่ครับพยายามไม่คิดแต่อดคิดไม่ได้ครับอ๋อไม่บาปแต่ยังยได้เหรอเพียงแต่ไม่ได้บุญนันเอหนูนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปแบบไม่มีช่องว่างจิตสงบมากกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแบบนี้เรียกว่าทําสมาธิได้ไหมครับได้แต่ละคนอาจจะมีวิธีทําไม่เหมือนกัน การนั่งวิธีที่ทำให้ใจเราสงบได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคนที่ไปทำสัญญกรรมความงามดึงหน้าเสริมจมูกทำให้ฝืนความชราแบบนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปนะเป็นเรื่องของกิเลสความโลภความอยากสมัยงามใช้พุทโธตามที่พระอาจารย์สอนหยุดคิดลบได้จริง เกิดอีกหยุดอีกครับก็พูดอย่างนี้นะครับอาจารยใช่เมืมันนวดอ่ะเวลามันไหลแล้วก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกมันก็หยุดไหลพอเราปล่อยเบรกมันไหลอีกแล้วก็ต้องเหยียบอีกจนกว่เราจะสามารถหยุดเปนได้อย่างถาวรวิทยายืน อ, อย่างถาวรนแล้วต้ใช้ปัญญาสอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดโทษกับใจเราแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นอย่าคิดแบบนี้ต่อไปมันก็จะแม้มันก็จะเลิกคิดได้ถ้ามนุษย์ด้วยปัญญา การสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิห้าถึงสิบนาทีและแผ่บุญให้ตนเองและผู้อื่นมันก่อให้เกิดผลบุญจริงไหมครับคือผลบุญจากการนั่งสมาธิก็ใจต้องสงบก่อนถึงจะได้ได้ผลบุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลบุญเราทำดีแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นแต่คนอื่นทำไม่ดีแต่มีชีวิตที่ดีอย่างนี้เรียกว่ากรรมเก่าใช่ไหมครับ มันก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนทำไมพระไม่มีไรายได้ไม่กลัวตอนป่วยจะไม่มีเงินรักษาตอนแก่ไม่มีคนดูแลเลยครับพระพุธเ จ, จ้าฝากให้พระฝากชีวิตไว้กับญาติอยู่นี่ครับพุทธบริษัทเรามีพุทธบริษัทสี่มีพระภิกษุภิกษุณีแล้วก็มี อ, อุบาสกอุบาสิกายัา น, นอุบาสกอุบาสิกาก็จะเป็นผู้ดูแลพระภิกษุภิกษุณีสา ม, มนเณรจิตของเราสั่งให้ร่างกายคลายจากความเจ็บปวดได้จริงหรอครับไม่ได้หรอกความเจ็บปวดของร่างกายก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของร่างกายแต่ความเจ็บปวดของใจนี่สั่งให้มันหายได้ทำให้มันหายได้ ความเครีความทุกข์กับความเจ็บป่วยของร่างกายนี้จะหายไปแต่ความเจ็บป่วยของร่างกายไม่ได้หายไปนะสั่งมันไม่ได้สวดมนต์น้อยลงแล้วมาเน้นนั่งสมาธิเดินจงกรมมากขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับจอะก็ะดูที่ผลว่ามันสงบมากขึ้นหรือเปล่าถ้าสงบมากขึ้นก็ถูก เวลาใส่บาทรับพรจากพระเราควรจะยืนหรือควรจะนั่งรับพรครับง่าทั้งนั้นเนี่ยนั้นแต่นั่นแต่ความเหมาะสมถ้าเขานั่งกันเราก็นั่งถ้าก็ยืนเราก็ยืนนั่นแต่กาลเทศะคนที่ฆ่าหมายิงหมาตายเขาจะรับกรรมแบบไหนเห็นเขายังสุขสบายดีครับโอ้นังร้อยเขาตายกันอาจจะาอาจจะกลับไปเกิดเป็นม เ, เป็นหมาอีกคนหน่งก็มาฆ่าแทน <c oughs> เนที่รักษาศีลสิทธิ์ข้อท่านทราบทุกข้อไหมครับครัต้องทราบสิไม่จะอยู่ดีๆรักษาศีลได้ไงถ้าเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องรู้ต้องศึกษาก่อนก่อนที่จะมาก่อนที่จะบวชเองเขก็ต้องสอนให้ก่อนเน่นีิธรรมข้อห้ามศีลข้อนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามอะไรไปพอเขารู้แล้วทีนี้เขาก็ต้องรักษานะ้วถ้าเขาไม่รักษาแล้วแสดงว่าศีลขาด ไปกินเนื้อหรือกินหมูกระทะเป็นบาปไหมครับไม่บาปคุณพ่อเผาไปได้แ9ดเก้าวันครับเราเอารถที่ท่านรักมาขับขี่ได้ไหมครับง่ายไม่ใช่มันเป็ น, ม, นมันไม่ได้เป็นของท่านนะถ้าตายไปแล้วสิทธิสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่นี่กลายเป็นของคนอื่นต่อไปนะ เชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอให้ผลที่เที่ยงแท้เสมออาจจะรอวันเวลาให้โอกาสส่งผลออกคอมเมนต์มาครับอาจารย์อนอนฟังธรรมแล้วท่องพุทโธไปเรื่อยๆเป็นการสงบจิตใช่ไหมครับคือถ้าฟังธรรมไม่คแรจะเชื่อไปสวดเป็สนสวดมนต์ไปด้วยเอาควจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ ทัองอย่างแล้วมันอาจจะทําให้ใจเราไม่สง บ, บก็ได้ถ้าอยากจะใช้สง บ, บจะส่วดมนต์ไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะฟังธรรมไปอย่างเดียวก็ได้จะดีกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวครับทํางานหาเงินแต่ให้น้องไปใส่บาตรแทนอย่างนี้เราได้บุญไหมครับถ้าเป็นงานของเราเราก็ได้บุญ คนที่ไม่ใช้นี่จำนวนเยอะจะได้กฎแห่งกรรมยังไงครับประชาชนาจะต้องไปเป็นนี่ของคนอื่นคุณพ่อลอยอังคารไปแล้วเก้าวันนี้ท่านสามารถมาเข้าฝันเราได้หรือมาหาเราได้ไหมครับได้ถ้าท่านอยากจะเข้ามาการอุทิศบุญอุทิศเฉพาะผู้ร่วงรับ เปรสามพระเวสสีเท่านั้นหรือเปล่าครับส่วนเทวดากับเจ้ากรรมนายเวรต้องอุทิศบุญด้วยไหมครับคือเขาเราอุทิศบุญเขาก็ไม่เขาก็ไม่ต้องการบุญของเราเพราะมันบุญน้อยมากเขามีบุญเยอะแยะเขาก็เลยอาจจะถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาขอบคุณนะพวกเปรต น, นี้เขาไม่มีบุญเลยมันเขาเหมือนเป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาณงั้นถ้าเราจะให้เสศษเงินเสร็จทองเขาเขาก็จะดีใจเขาจะได้รับเขาก็ยินดีที่จะรับทันที คล้ายเราคิดว่างานที่เราบุญที่เราที่ที่เป็นเหมือนกับงานที่เราให้ขอทานให้ให้ไม่ได้มากเปรตที่เป็นเหมือนขอทานเวลาทำบุญแล้วอุทิศตนนี้นะเหมือเราเอาเงินที่เราให้ขอทานงันถ้เงินที่เราให้ขอทานไปให้เทวดาเขาก็รู้จ่าไปทำอะไรมันเป็นเศษเงินสำหรับเขาเขาก็ไม่ได้ดีใจยินดีแต่เขาก็จะอนุโมทนาขอบคุณในความเจตนาดีของเราก็ได้ การสวดมนต์เราต้องออกเสียงดังไหมครับหรือว่าสามารถจะสวดในใจได้ครับส่วนในใจนด้ ย, ยินดีกว่าทําบุญกับทําทานบุญแบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับคำว่าทําทานกับทําบุญนี่มันเป็นเรื่องของการใช้ภาษานะตามหลักความเป็นจริงแล้วเป็นการทําทานคือการให้ทานแปล ว, ว่าการให้เวลาเราให้ข้าวของเองินทองกับใครไปแล้ว เราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้เราเรียกว่าบุญเ น, นทานเป็นเหตุบุญเป็นผลถ้าเราให้เงินกับคนที่ไม่อยากได้ไม่ได้ต้องการรับจะได้บุญไหมครับเรียกว่าให้ทานไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขารับหรือเปล่าถ้าเขารับเราก็ได้ถ้าเร า, เ า, ถ, า, เราถ้าเราเสียสละเงินก้อนนั้นไปเราก็ได้เขาจะยินดีไม่ยินดีก็เรื่องของเขา สิ่งที่เราได้คือเราได้ตัดความผูกพันกับเงินก้อ น, นั้นไปการตัดความผูกพันนี้ทําให้ใหจเราอิ่มทําให้ใจเราสด ข, ขึ้นมาเรียกว่าบุญสมาทานศีลแปดที่บ้านได้ไหมครับคือรักษาศีลแปดที่ไหนก็รักษาได้ไมมันอยู่ที่กายวาจาใจไม่ได้อที่สถานที่ บุคคลที่มาช่วยเราทํางานแบ่งเบาภาระงานอาชีพอาจจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนคอยแนะนําประโยชน์น่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเจ้ากรรมในเวรเราเคยทําสิ่งใดในอดีตชาติไว้กับคนบุคคลเหล่านี้ครับเขเคยทําบุญนุ่งกันมาเคยช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันมาเพราะชาตินี้เรามาเจอกันเขาก็จะมาเกื้อกูลกันต่อ <c oughs> โยมไปอยู่วัดส่วนมากบางวันนอนวัดบางวันก็กลับมานอนบ้านแต่ฝันว่าตัวเองทำกิจกรรมที่วัดตลอดอันนี้เป็นเพราะอะไรครับไม่ใช่เหมือนกันอย่าไปสนใจเลยให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเมื่อเราต้องการแผ่เมตตาโดยซื้ออาหารให้กับคนที่เขาเคยพูดไม่ดีกับเราในเวลาที่เขาป่วยแต่ก็มีใจหนึ่งที่ไม่อยากให้อีกใจก็พูดเตือนตัวเองว่าตัวที่ไม่อยากให้ไม่ใช่เรา ในเมื่อลึกๆในใจอยากให้และเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องฝืนใจทำเราสามารถใช้การพูดเตือนตัวเองแบบนี้ไม่ใช่เราได้ไหมครับก็ถ้าเราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้จะใช่ ว, าาวิธีไหนก็ได้กับเรียนถามครับ คนกว่าจะใช้กรรมใช้เวลานานมากแสดงว่าเมื่อก่อนเขาสร้างกรรมกรรมดีเอาไว้เยอะใช่ไหมครับเขรราไม่รู้แหละมันมีทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีแล้วแต่มันก็จะมีผลถ้าสร้างมากมันก็ต้องใช้มากสร้างน้อยก็ใช้น้อย ทำอย่างไรถึงจะไม่โต้อตอบคนที่ชอบใส่ร้ายให้เสียหายได้เพราะถ้าได้ยินแล้วใจมันไม่ยอมอย่างนี้สอบตกใช่ไหมครับใช่สติเรายังมีกำลันงน้อยอุเบกขาอย่างน้อยพยายามฝึกสติให้มากเวลาเกิดคามรูม้สึกอยากจะโตอตอบก็ลองใช้คำบริกรรมพุโทโธบบภายในใจทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมครับ ตัวอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยมันเอาไว้เกิดขึ้นมาลูกได้บอกให้น้องถวายสังฆทานและพาตไกรแด่พระอาจารย์ที่วัดแต่เป็นเงินของลูกลูกจะได้รับบุญไหมครับไ ด, ได้ถ้าเป็นเงินของลูกลูกก็จะได้บุญเพื่อนฝากทําบุญครับเอ่ยชื่อเพื่อนเพื่อนจะได้อะไรสง่์ด้วยกันไหมครับ ถ้าเขาเป็นยังของเขาเขาก็จะได้จะเอ่ยชื่อหรืไม่เอ่ยชื่อเขาก็ได้เขาถ้าเขาเสียบริจากนั้นก้อนั้นไปแล้วเป็นโรครักษาไม่หายเกิดจากเวรกรรมเก่าหรือเปล่าครับจะปฏิบัติธรรมลดเวรลดกรรมได้หรือไม่ครับมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปเพราะเรื่องของร่างกายนี่มันอยู่ภายใต้กฎของตายแล้วมันมีเหตุปัจจัยหลายด้านในกนรที่ยกจะทําให้เกิดขึ้นมาได้ กรรมก็อาจจะมีส่วนก็ได้แต่ไม่มีใครรู้ก็อย่าไปสนใจยอมรับกรรมไปแล้วกันยอมรับกับสภาพที่มันเป็นอยู่ไปก็แล้วกันเพื่อใจของเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้คนดูกับสองพันคนนะครับอาจารย์อ๋วันนี้เยอะนะครับเพลงรู้ตอนนี้เท่าไหร่ของคุณหม อ, พอเพิ่มขึ้นเยอะไหมมันมันวิ่งอยู่ระหว่างช่วงเกประมาณสองร้อยะครับอาจารย์วิ่งอยู่ในช่วงนี้ครับ มันจะขึ้นเนแสได้ไหมเนาะหร้อมันลงครับแต่วันนี้ติ๊กต่อคนดูเยอะครับอาจารย์คนดูมันหกร้อยตลอดเลยครับอาจารย์ดูลมหายใจพร้อมนับไปเรื่อยๆเพื่อรักษาสติทำอย่างนี้ได้ไหมครับได้ ทุกวันพยายามทําอนาบานาสติทั้งวันหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ารู้มีสติรู้ตัวทุกอิริยาบถและทุกวันจิตก็คิดถึงความไม่เที่ยงบ้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราบ้างพระอาจารย์มีอะไรแนะนําที่ต้องทําเพิ่มบ้างไหมครับในการปฏิบัติครับคือการดูลมหายใจเข้าในควรจะดูตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรจะดีกว่าถ้าเราทําอะไรอยู่แล้วควรจะดูงานที่เรากำลังทําอยู่ ถ้าเราดูลมแล้วเราไม่ดูาาดงานที่เราทําเดี๋ยวงานที่เราทําอาจจะผิดพลาดเสียหายได้ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวให้ดูร่างกายแทนแต่ถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวนั่งเฉยๆแล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจเมื่อวานไปเยี่ยมคนป่วยวิกฤตหากเขาพอรู้ตัวแต่เริ่มเบลอจะมีวิธีไหนให้เขาได้เตรียมใจก่อนหมดลมหายใจไหมครับ่น ตอนนี้เขามาีเคาทำให้ไปเตือนเขามาเตือนตอนนี้เขาไม่ทำให้รับรู้ได้นะถ้าเราเป็นลมหมดสติแล้วเสียชีวิตแล้วเราจะไปอยู่ภพภูมิไหนครับก็ อ, อยู่บุญที่บุญที่แบบ ท, ที่เราสะสมไว้ว่าอันไหนมีมากกว่ากันนะบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์บาปมากกว่าก็ไปอาบาย คนใส่แต่เสื้อผ้าสีดำเป็นอัปมงคลไหมครับไม่เลยมันในความเชื่อเป็นเรื่องเรื่องความนิยมนั่นเองแล้วก็ถือกันถือถือกันมาเชื่อกันนะว่าสีดำเป็นสีอัปมงคลการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการเพิ่มพลังของจิต ให้จิตมีกำลังสหรับใช้ในเหตุการณ์ต่างๆเช่นเจ็บป่วยแผ่นินไหวให้มีสติใช่ไหมครับใช่ให้สติไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกาบเรียนถามครับวันนี้ได้เจอรถขนหมูหน่าจะอายุไม่ถึงปีทับถมการเพื่อจะไปลงฆ่าจึงเกิดความรู้สึกไม่อยากกินเนื้อสัตว์อีกก็ตั้งใจจะไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันนี้เลยด้วยเหตุปัจจัยนี้ไม่ใช่เรื่องความบังเอิญใช่ไหมครับ ไม่ใช่จะบังเอิญก็ไม่รังเกก็ไม่รู้วความอยากที่จะบรรลุเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นเป็นธรรมถ้าไม่อยากบรรลุก็จะไม่ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่บรรลุไม่ได้การนั่งสมาธิเดินจงกรม อ, อ้อนิมันถามไปแล้วครับพยายามทำดีกับคนที่เขาไม่ชอบเรา ทำไงเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดีแถมยังเอาเราไปนินทาว่าร้ายควรวางตัวเช่นไรเมื่อต้องเจอกันครับเรถือว่าเราทาเพื่อเพื่อให้ใจเราสบายมวนเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเรานั้นเป็นเรื่องของเขาชาตินี้เกิดมาเป็นพี่น้องกันถ้าตายจากโลกนี้ไปเกิดใหม่จะได้เจอพี่น้องคนเดิมหรือในครอบครัวเดิมไหมครับ ก็มันก็พูดยากนะเพราะว่าก็จะมาเกิดแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้นัดกันมาพร้อมกันที่ไหนมันมันเป็นของที่เรานัดกันมาไม่ได้มันเป็นเรื่องจังหวะของชีวิตว่าเราจะมามาเกิดในยุคไหนตอนไหนกับใครที่ไหนมันมันยากที่เราจะมามาพบกันในในรอบหน้าพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่มัน มันมันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปวิเคราะห์ให้เสียเวลาเปล่ามันจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดมันไม่เป็นประเด็นสำคัญเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตทำอย่างไรให้จิตใจยอมรับได้ครับก็ต้องทำใจให้เฉยๆพยายามฝึกสตินั่งสมาธิอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับมีวิธีการจัดวิธีการใจเราอย่างไรเมื่อถูกด่ากระทบหมายถึงว่าพูดสอ <c oughs> กเสียดด่าขึ้น ล, ลอยให้โมโหเพื่อให้โต้อตอบกลับแต่เลือกไม่โต้อตอบแต่ในใจนี่โมโหมากและอยากรู้ว่าคนที่ด่าจะได้รับผลกรรมด้วยไหมครับเขาต้องได้รับผลกรรมของเขาต่อไปเขาาจะต้องถูกคนอื่นด่าแทนกลับมาก็ได้แต่สาหรับเรา ถ้าเราไม่อยากจะโต้อตอบเราก็ใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะตอบโต้เขาก็พยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอใจเราสงบความรู้สึกอยากจะตอบโต้เขาก็หายไปหมดแล้วแนะ่ครับตอนนี้พระอาจารย์ตอบไปเยอะเหมือนกันครับพระอาจารย์อวันนี้นะครับในเฟซมี828ครับ ในยูมีหกร้อยหกสิบสองในขับเก้าติ๊กตอห้าร้อยสิบหกครับรวมสองพันกับสิบห้าคนนะครับอ่านคำถามแรกรยี่สิบนาฬกาสิบสามนาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยี่สิบสองคำถามครับผมไม่งนะไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้นะครับ <laughs> ก็ดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีที่จะตอบถ้าคำถามบางคำถามตอบไม่ได้นะึคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็จะต้อง ก็ต้องตอบแบบที่ตอบไปนะครับโอเคการสันนาทมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจาริจาาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไม้เพียงทั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้ออันใด โอกาสหน้าคือที่หน้าก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเจริญพรกับกับพระคุณพระอาจารย์ครับ